หนึ 1> 1. ่งล่ติกะหนึ่งร้อารณะทุกะหนึ่งถึงเจปฏิเจวาระเป็นต้นปัจยะจตุกนัยหกสสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ ร, ร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ ร, ร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระยอ่อ สหชาติวาระและถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระหกสิอสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งมีเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ เกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤตซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตวร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยกฤตซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องให้เกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤต ซึ่งไม่เป็นเหตุให้สจกร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอพยากฤตซึ่งไม่เป็นเหตุให้สจกร้องไห้เกิดขึ้นเพราะอารมณะณปัจจัยย่อหกสิบสองเหตุ ป, ปัจจัยมีห้าวาระอารมณะณปัจจัยมีสองวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีห้าวาระยอ่อสหชาตาวาระละถึงสัมยุตตาวาระ เมือนกับปฏิจจวาระหกสาสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุให้ัตว์ร้องไห้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุให้ัตว์ร้องไห้โดยเหตุุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตซึ่งไม่เป็นเหตุให้ัตว์ร้องไห้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอภิยากรตซึ่งไม่เป็นเหตุให้ัจาร้องไห้โดยเหตุุปัจจัยย่อหกิสี่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 อาศัวณปัจจัยมีสองวาระกรรมปัจใจมีสี่วาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจใจมีสี่วาระละถึงมรฆะปัจใจมีสี่วาระสัมปยุตตปัจจัยมีสองวาระวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิขตปัจจัยมีเจดวาระย่อพึงขยายให้พิสดารเหมือนปัญหาวาระในขุศลตึกะ ภูสระตธิกะและปิติทุกกะจบสอเวทนาติกะหนึ่งร้อยสารณะทุกกะหนึ่งถึงเจ็ดปฏิจวาระเป็นต้นปัจะจะจะตุกระในหกสิบห้า ส ภ, <Hani> ส, ส, ภสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอุทุกขมสุขเวทนาซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ อาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขโมสุขเวทนาซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุหตุปัจจัยย่อหกสิบหเหตุุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระยอ่อชาติชาติวาระละถึงสัมปยุตตาวาระเหมือนกับปฏิจจวาระหกสิบเสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ ด, ด้วยสุขเวทนาซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้โดยเหตุตุปปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้โดยเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกมสุขเวทนาซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกมสุขเวทนา ยเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้โดยเหตุปัจจัยยอ่อ68เหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจัยมี9้าวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระอเนันตระปัจจัยมีสามวาระละถึงนิจยปัจจัยมีสามวาระอุปาณิสยปัจจัยมี9้าวาระอาเสวนปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสามวาระ ย่อพื้นขยายให้พิจารณาเหมือนปัญหาวาระในกุสลตะกะอรณบทเหตุปัจใจหกสิบเก้าสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุให้จักรร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุให้จักรร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอุทุคมสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุให้จักรร้องไห้ อาศัยสภาวธรรมที่สัมพยุทธ์ด้วยทุก ข, ขโมกขโวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุให้จัด ร, ร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุ ป, ปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีสองวาระอราริมณปัจจัยมีสามวาระอาทิปติปัจจัยมีสองวาระละถึงอาเสวนปัจจัยมีสองวาระละถึงชาณปัจจัยมีสองวาระมัคคะปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระ ย่อสหชาตะวาระละถึงสัำยุตตวาระเหมือนกับปฏิจจวาระเจสภาวธรรมที่สัมำยุต์ด้วยสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุให้สั์ร้องไห้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัำยุตย์ด้วยสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้โดยเหตุตัปัจจัยสภาวธรรมที่สัมำยุตย์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ เป็นปัจจัยแฉะสภาวะธรรมที่สัมพยุทธ์ด้วยทุกขโมกขโวเทนาซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้โดยเหตุปัจจัยยอ่อ71เหตุปัจจัยมีสองวาระอารามะณปัจจัยมีหกวาระอธิปติปัจจัยมีสี่วาระอานันตระปัจจัยมีเจดวาระสมนันตระปัจจัยมีเจดวาระสหาชาตะปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระ นิสยปัจจัยมีสามวาระอุปาณิสยปัจจัยมีห้าวาระอาเสนวะปัจจัยมีสองวาระกรรมปัจจัยมีห้าวาระวิปากปัจจัยมีสามวาระอหารปัจจัยมีสามวาระปินทริยปัจจัยมีสามวาระชานะปัจจัยมี vorher, สองวาระมัคระปัจจัยมีสองวาระสำปรยุตตปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระย่อ พึงขยายให้พิสดารเหมือนปัญหาวาระในขุสละติกะสวิปากติกะหนึ่งร้อสารณะทุกกะหนึ่งถึงเจปฏิจจวาระเป็นต้นปัจยะเจะตุกคนัยเจ็ดสิบสองสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิปากซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิปากซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุก ป, ปัจจัย ย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อสหชาตาวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระเจ็ดสิบสามภาวธรรมที่เป็นวิบากซึ่งไม่เป็นเหตุให้จักร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากซึ่งไม่เป็นเหตุให้จักร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระ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 เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อ74เหตุปัจจัยมี13วาระอารมณปัจจัยมี5วาระอธิปติปัจจัยมี6วาระละถึงปุเรชาติปัจจัยมี3วาระอาสิวะณปัจจัยมี2วาระละถึงวิปากปัจจัยมี6วาระละถึงอวิขตะปัจจัยมี13วาระยอ่อสหชาติวาระ และถึงสามยุตตะวาระเหมือนกับปฏิจจวาระเจ็สิห้าสภาวธรรมที่เป็นวิบากซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตวจร้องไห้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นวิบากซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัจร้องไห้โดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัจร้องไห้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัจร้องไห้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 สหชาติปัจจัยมีสิบอดวาระอัญญามัญญปัจจัยมีเจดวาระละถึงอาศิวณปัจจัยมีสองวาระกรมมปัจจัยมีเก้าวาระวิปากะปัจจัยมีสามวาระละถึงอินทริยปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสิบสาวาระยอ่อพึงขยายให้พิจารณาเหมือนปัญหาวาระในกุสละตึกะสี่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 เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระยอ่อสหาหชาตวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ78สภาวะธรรมที่แฝงอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งไม่เป็นเหตุให้จัร้องไห้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 ซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตร้องให้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวะธรรมที่กล่ำอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตร้องให้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระ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 เทตุปัจใจมีเก้าวาระอารมณปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีห้จจวาจจวาระและถึงอาเสวณปัจจัยมีสองวาระละถึงวิปากปัจจัยมี9้าวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีเ้าวาระย่อสหชาตวาระและถึงสัมปยุตตวาระเหมือนกับปฏิ จ, จัวาระ80สิ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 จึงไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้โดยเหตุตุปัจจัยมีสามวาระย่อแปเอเหตุุปัจจัยมีเจดวาระอารมณปัจจัยมีหกวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระและถึงนิสยปัจจัยมีสิบอดวาระปุปานิสยาปัจจัยมีห้าวาระปุเรชาตปัจจัยมีเจดวาระปะชาชาตปัจจัยมีเ้าวาระอาเซวณปัจจัยมีสองวาระ การมปัจจัยมีแปดวาระวิปากะปัจจัยมีหกวาระอาหาระปัจจัยมีสิบสองวาระอินทรียปัจจัยมีเจดวาระชานะปัจจัยมีเจดวาระมรรคปัจจัยมีเจดวาระสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตปัจจัยมีสิบวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมียี่สิบสามวาระย่อพึงขย่ายให้พิจารณาเหมือนปัญหาวาระในกุสลติกะ ห้าสังคิเลฐาติกะหนึ่งร้อยสารณทุกกะหนึ่งถึงเจ็ดปฏิจจวาระเป็นต้นปัจยะจตุกนัยเหตุปัจใจแปดสิบสองสภาวะธรรมที่กิเลทํทาให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้จัดร้องไห้อาศัยสภาวะธรรมที่กิเลทําให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้จัดร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อ เหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อสาชาตวาระและถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ8ปดสิบสามสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตร้องห้อาศัยสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตรองห้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 เหตุปัจจัยมีสมวาระย่อแปหเหตุปัจจัยมีสี่วาระอารหันต์ปัจจัยมีสาวาระอธิปติปัจจัยมีสี่วาระละถึงสมณันตระปัจจัยมีสี่วาระสหชาตะปัจจัยมีหวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสองวาระนิสียปัจจัยมีเจดวาระอุปาณิสียปัจจัยมีสวาระปุเรชาตะปัจจัยมีสองวาระ ปัจฉาชาตะปัจจัยมีสองวาระอายตวะนาปัจจัยมีสองวาระกรรมปัจใจมีสี่วาระละถึงมรคปัจใจมีสี่วาระสำปรยุตตปัจจัยมีสองวาระวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเจดวาระยอ่อพึงขยายให้พิจารณาเหมือนปัญหาวาระในกุศลติกะ วิตกะติกะหนึ่งรสารณทุกกะหนึ่งปฏิจจวาระปัจยยะจตุกนัยเหตุตุปัจใจแปดสิบเจสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ อาศัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งเป็นเหตุให้สัตร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์และที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ซึ่งเป็นเหตุให้สัตร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งเป็นเหตุให้สัตร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณซึ่งเป็นเหตุให้สัตร้องไห้อาศัยสภาวธรรม ที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร์ซึ่งเป็นเหตุให้จาร้องให้เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจาร์ซึ่งเป็นเหตุให้จาร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจาร์และที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร์ซึ่งเป็นเหตุให้จาร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัย่อแปสิบปดเหตุปัจัยมีห้าวาระละถึงเอาวิคตะปัจัยมีห้าวาระ ย่อสาชาตะวาระและถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดาร89สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้มาสายสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยมีเจดวาระสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณซึ่งไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้เกิดขึ้นพระเหตุปัจจัยมีห้าวาระสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุให้จัตร้องไห้อาศัยาาสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้เกิดขึ้นพระเหตุตุปัจจัยยอ่อเก้าสิบเหตุุปัจใจมีสามสิบเจ็ดวาระอรมาณปัจใจมียี่สิบเอดวาระ อธิตติปัจจัยมี23วาระละถึงอัญญะมัญญะปัจจัยมี28วาระละถึงปุเรชาตะปัจจัยมี11วาระอาเสวนปัจจัยมี11วาระและถึงอวิคตะปัจจัยมี37วาระย่อพึงขยายสหชาตะวาระละถึงปัญหาวาระให้พิดารอย่างนี้เจปีติติกะหนึ่งรารณทุกกะ หนเจปฏิจจาวาระเป็นต้นปัจจะจตุกนัยเกสอสภาวธรรมที่โ ส, ห, ห, สหรคตด้วยปีติซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่โสหรคตด้วยปีติซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่โสหรคตด้วยสุขซึ่งเป็นเหตุให้สัตว enfin ์ร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่โสหรคตด้วยสุขซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ เกิดขึ้นพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่โสหรรคดูเบกขาซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่โสหรรคดูเบิขาซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่โสหรคตด้วยปีติซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่โสหรคตด้วยปีติและที่โสหรคตด้วยสุขซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ ปกิดขึ้นพระเหตุปัจจัยมีสามวาระยอ่อเหตุปัจจัยมีสิบวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสิบวาระยอ่อสหชาตะวาระละถึงสัมปยุตตวาระเหมือนกับปฏิจจาวาระเกสบสองสภาวธรรมที่โสหรคตด้วยปีติซึ่งเป็นเหตุให้จักร้องไห้เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่โสหรคตด้วยปีติซึ่งเป็นเหตุให้จักร้องไห้ โดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่โสโรคตด้วยสุขซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้โดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่โสหรคดูเบิขาซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคดูเบิขาซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้โดยเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่โสหรคคด้วยปีติและที่โสหรคคด้วยสุขซึ่งเป็นเหตุให้จัดร้องไห้เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่สหรคคด้วยปีติซึ่งเป็นเหตุให้จัดจร้องไ ห, ห้โดยเหตุปัจจัยมีสามวาระยอ่อเกเหตุปัจจัยมีสิบวาระอรหันต์ปัจจัยมีสิบหกวาระอัทิติปัจจัยมีสิบหกวาระละถึงอุปราณิยปัจจัยมีสิบหกวาระ ละถึงอวิคตะปัจจัยมีสิบวาระยอ่อพึงขยายให้พิจารณาเหมือนปัญหาวาระในขุชละเดกะ94สภาวธรรมที่โสหรโคด้วยปีติซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัดร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่โสหรคตด้วยปีติซึ่งไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีสิบวาระละถึง อวิคตะปัจจัยมีสิบวาระย่อสหชาตะวาระและถึงปัญหาวาระมีวาระประมาณเท่านี้แปดทัศนติกะหนึ่งร้อยสารณทุกกะหนึ่งปฏิจจวาระปัจยะจตุขไนเก้าสิบห้าสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักซึ่งเป็นเหตุให้สัธร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัก ซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามซึ่งเป็นเหตุให้สัตวร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามซึ่งเป็นเหตุให้สัตวร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระย่อสหชาตะวาระละถึงปัญหาวาระ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 ชาติวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระเก้าทัศนะเหตุติกะหนึ่งร้อยสารณะทุ ก, กะหนึ่งปฏิจจาวาระเหตุปัจจัยเก้าสิบเจ็ดละถึงอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุอันต้องประหารด้วยโสดาปติมัคซึ่งเป็นเหตุให้สัตร้องไห้ อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุอันต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้สภาวธรรมที่มีเหตุอันไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุอันไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยย่อ อาจิยคามิติกะหนึ่งร้อยจารณะทุกะหนึ่งถึงเจ็ดปฏิจจวาระเป็นต้นเหตุปัจจัยและอารมณปัจจัยเก้าสิบแปดสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติซึ่งเป็นเหตุให้สัตวดร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ ละถึงอวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อสหาชาตะวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจใจละหนึ่งวาระเกสิบสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุ ต, ซ ต, จติซึ่งไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติซึ่งไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุ ป, ปัจจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานซึ่งไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานซึ่งไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานซึ่งไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานซึ่งไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัดร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติและที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัดร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุกปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัดร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพาน และที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานซึ่งไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อหนึ่งรอยเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอารมณปัจจัยมีสามวาระอธิปฏิปัจจัยมีเก้าวาระและถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตตปัจจัยมีเก้าวาระยอ่อสหชาตาวาระละถึง สามประยุติวาระเหม <inde>. ือนกับปฏิจจวาระร้อยหนึ่งสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติซึ่งไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติซึ่งไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้โดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานซึ่งไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพาน ซึ่งไม่เป็นเหตุให้จักรร้องไห้โดยเหตุตัวปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานซึ่งไม่เป็นเหตุให้จักรร้องไห้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานซึ่งไม่เป็นเหตุให้จักรร้องไห้โดยเหตุตัวปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติซึ่งไม่เป็นเหตุให้จักรร้องไห้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรม ที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัดร้องไห้โดยอรมณ์ปัจจัยยอ่อร้อยสองเหตุปัจจใจมีเจ็ดวาระอารมณ์ปัจจัยมีเจดวาร ะ, อ, าร ะ, จจาระอธิปฏิปัจจัยมีสิบวาระอนันตระปัจจัยมีหกวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีสิบสามวาระยอ่อพึงขยายให้พิจารณาเหมือนปัญหาวาระในกุสละเดชะ 11. เอศขระติกระหนึ่งร้อสรณะทุกะหนึ่งถึงเจปฏิจจาระเป็นต้นเหตุปัจจัยร0อสสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเศขะบุคคลและเศษขะบุคคลซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเศขะบุคคลและเศขระบุคคลซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ ละถึงอวิคตะปัจจัยมียหนึ่งวาระย่อสหชาตะวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจใจละหนึ่งวาระร้อยสี่สภาวธรรมที่เป็นของเสขารุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นของเสขารุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขารุคคลและอาศิคารุคคล ซึ่งไม่เป็นเหตุให้จัตว์ร้องไห้อาศัยสภาวะธรรมที่เป็นของเสขารุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุให้จัตดร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวะธรรมที่เป็นของเสขารุคคลและที่ไม่เป็นของเสขารุคคลและอเสขคาุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุให้จัตว์ร้องไห้อาศัยสภาวะธรรมที่เป็นของเสขารุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุให้จัตว์ร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวะธรรมที่เป็นของอาศิคารุคคล ซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตรองไห้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นของอาศัยขบุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยมีสามวาระ ส, สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสศับุคคลและอาศัยขบุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสศับุคคลและอาศัยขบุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจใจและถึง อาศัยสภาวธรรมที่เป็นของเสคะบุคคลและที่ไม่เป็นของเสคะบุคคลและอเสคะบุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุให้จักรร้องไห้และถึงเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสคะบุคคลและอเสคะบุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุให้จะกรร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นของเสคะบุคคลและที่ไม่เป็นของเสคะบุคคลและอเสคะบุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุให้จักรร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยย่อ ร้อยห้เคสุปัจใจมีเก้าวาระอารมณปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจใจมีเก้าวาระยอ่อสหชาตวาระและถึงสัมปยุตตวาระเหมือนกับปฏิจจวาระร้อหสภาวธรรมที่เป็นของเสขาบุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตวร้องไห้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของเสขาบุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตวร้องไห้ โดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นของอเสขาบุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตร้อง่ห้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของอเสข้บุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตรอง่ห้โดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเาศขาบุคคลและอเสขาบุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตร้อง่ห้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเาศข้บุคคลและอเสขาบุคคล ซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้โดยเหตุปัจจัยย่อร้อยเจ็ดเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระอารมณปัจจัยมีห้าวาระอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระอนันตร์ปัจจัยมีแปดวาระและถึงอุปนิสัยปัจจัยมีแปดวาระและถึงอายสวะนปัจจัยมีสองวาระากรมมปัจจัยมีแปดวาระวิปากปัจจัยมีเจดวาระละถึง อาวิคตะปัจจัยมีสิบสามวาระย่อพึ่งขยายให้พิสดารเหมือนปัญหาวาระในกุศลติกะสิบสองปริตติติกะหนึ่งรอยสารณธทุกะหนึ่งปฏิจจาวาระ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 สภาวธรรมที่เป็นปริตตะซึ่งไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นปริตตะซึ่งไม่เป็นเหตุให้จัตว์ร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นมหาคัตตะซึ่งไม่เป็นเหตุให้จัตวดร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นมหคัตตะซึ่งไม่เป็นเหตุให้จัตว์ร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัปมาณะซึ่งไม่เป็นเหตุให้จัตดร้องไห้ อาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอปมาณะซึ่งไม่เป็นเหตุให้จัตวดร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยมีสามวาระสภาวะธรรมที่เป็นปริตะซึ่งไม่เป็นเหตุให้จัตดร้องไห้อาศัยสภาวะธรรมที่เป็นมหคัตซึ่งไม่เป็นเหตุให้จัตว์ร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวะธรรมที่เป็นปริตะซึ่งไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้อาศัยสภาวะธรรมที่เป็นปริตะและที่เป็นอปมาณะ ซึงไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อร้อยสิบเหตุปัจจัยมีสิบสามวาระอรามณะณปัจจัยมีห้าวาระอธิปติปัจจัยมีเ้าวาระละถึงอัญญามัญญาปัจจัยมีเจดวาระละถึงปุเรชาตะปัจจัยมีสามวาระอเศวณปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสิบสามวาระย่อ สหชาติวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยเพิ่อขยายให้พิจารณาสิบปริตารมณติกะหนึ่งรสารณาทุกกะหนึ่งปฏิจจวาระเหตุุปัจจัย 111. สอสภาวะธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุให้สักร้องไห้อาศัยสภาวะธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุให้สักร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัย สภาวะธรรมที่มีมหคัตะเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุให้สัดร้องไห้อาศัยสภาวะธรรมที่มีมหคัตะเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุให้สัดร้องไ ห, ห้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระย่อสหชาตาวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยเพิ่งพยาให้พิจาราร้อยสิบสอง สภาวธรรมที่มีปริตะเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่มีปริตะเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยสภาวธรรมที่มีมหคัตตะเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่มีมหคัตะเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัดร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยสภาวธรรมที่มีอภิมานะเป็นอารมณ์ ซึ่งไม่เป็นเหตุให้สั่ร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่มีอปิมานะเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุให้สะ่ร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระยอ่อชาชาตะวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยเพิ่งขยายให้พิสดาร